พึ่งพากันตั้งใจเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้เพื่อที่จะมาชำละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจหรือให้หมดไปสิ้นไปผู้ใดตั้งใจไม่ถูกต้อง ดังกล่าวมานี่การบวชไม่มีผลให้พากันคิดพิจารณาให้ดีนักบวชนี่มันทองเลื่อนจากการเพิอเพลินโมเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่า ย, ยินดียินร้ายต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะมันจะเป็นนักบวชได้ถ้าไปยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่ยังเป็นนักบวชเต็มที่ไม่ได้เลยดังนั้น ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจเราเป็นนักบวชนี่อย่าไปชอบสนุกสนานอย่าไปชอบดูรูปสวยๆเงางา ม, งามอย่าไปชอบฟังเสียงไพเราะต่างๆเส้นเสียงร้องรำทำเพลงดิ้นีตีเป่าต่างๆมูนี่นะ ดังนั้นจึงได้เตือนไว้ผู้บวชเข้ามาแล้วนะจึงได้เตือนไว้แล้วห้ามแล้วนะให้เข้าใจอย่าไปเอาวิทยุมาฟังในวัดไม่เช่นนั้นแล้วการบวชไม่มีผลอะไรอะ่ะบวชมาใหม่ๆยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ยังไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นนะมันไม่ใช่เป็นวิธีการของนักบวชเอาวิทยุมาในวัดเปิดฟังเพลงเปิดเสียงดังสนันลบกวนผู้อื่นให้เสียความสงบรงับไปหมนี่ไม่ควรนะให้รู้ไว้ ถ้าผูใ้ใดเอาวิทยุมาใช้ยอยู่ในวัดนี้ให้เอามามอบให้หลวงปู่เก็บไว้ถ้าอยู่ไม่ได้ศึกแล้วจึงมาเอาไปืม้เช่นนั้นแล้วจะอยู่กับหลวงปู่ไม่ได้นะจะบอกให้นลวงปูกบ่นให้ก็ั่าง พอมันมันฝืนมันฝืนคำสั่งคำแนะนำผู้ดใดฝืนแล้วอย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าจะอยู่ร่วมกันไปมันต้องฟังมันต้องทำตามที่แนะนำตักเตือนดังนั้นทุกคนขอให้พากันเข้าใจ เราน่ยนะพ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วนะแสนทุกข์แสนยากมาื่อวันเราบวชเข้ามาแล้วก็หวังว่าจะมาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่หาเข้าวพอและน้ำนมให้ถือว่าเรานั้นเป็นหนี้นะเป็นหนี้บุญคุณของท่านดังนั้นจะมาบวชเราจะ่าเพลิดเพลินมัวเมา อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสข้างสัมผัสต่างๆเหล่านี้มันไม่มีบุญมีคุณอะไรจะไปตอบแทนท่านแล้วไม่มีเลยให้เข้าใจจิตใจมันลอยอยู่แต่ข้างนอกนี่มันไม่เข้าไปสงบอยู่ภายในได้บุญกุศลมันย่อมเกิดขึ้นจาก การทําใจสงบอยู่ภายในไม่ใช่ว่าบุญกุศลมันจะเกิดจากความคิดนึกไปตามกระแสของเรื่องต่างๆเรื่องทําบุญกุศลอะไรเรื่องว่าตนได้บวชเข้ามาแล้วตนก็ได้บุญแล้วอย่างนี้เนี่จะเกิดเป็นบุญกุศลให้ไม่ใช่นะให้เข้าใจ เพียงแค่บวชเข้ามาโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองเที่ยววินธรรมมาเลี้ยงชีพเฉยๆเท่านั้นนะยังเป็นพระโดยสมบูรณ์ไม่ได้เลยเป็นพระได้โดยสมมุติแต่เป็นโดยคุณธรรมยังไม่ได้อนี่เข้าใจ จะเป็นพระโดยคุณธรรมมันต้องสละความเพลิดเพลินมัวเมาในภายนอกดังกล่าวมานั้นก้มหน้าเจริญพระกรรมฐานสำรวจจิตใจให้อยู่ภายในเพ่งกายเพ่งใจในี่อยู่ภายในทำใจให้สงบให้ระ ง, งับ ไม่ห้ใจมันลอยไปตามกระแสของโลกยึดหนึ่งหยุดยึดหน่วงเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์สงบอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้พระพุทธเจา้าพระองค์ก็เป็นผู้มีพระทัยสงบระงับจากอาสวะกิเลส ท, ทั้งมวล พระโลกตระธรรมก็เป็นธรรมที่สงบระงับเป็นธรรมที่ทําจิตของบุคคลผู้บรรลุถึงให้ถึงซึ่งความสงบระงับอยู่เหนือความรักอยู่เหนือความชังอยู่เหนือความหลงความเมาต่างๆนี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเก้าที่ท่านปฏิบัติ นี่ปฏิบัติชอบแล้วท่านก็เป็นผู้สงบระงับจากราคะโทสะโมหะมานะทิธฐิทั้ทงๆก็เจิงสามารถดำรงพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าท่านที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดแต่ท่านก็สํารวมตน อยู่ด้วยอาการันสงบระงับไม่เปิดเพลินมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสจึงสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาได้จนถึงปัจจุบันดังนั้ น, นพวกเราอย่าพากันประมาท ใไหนเราก็มีบุญกุศลส่งให้ตนได้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนของตัวเจ่าได้แล้วก็ศึกษาลาเพศออกไปครองเรือนซะตามธรรมเนียมของโลกแค่อย่างนี้ก็ยังจะไม่เป็นโทษหลาย าหากว่า ม, วมัวมัวพมาตอยู่ในเพศพมจันนี่นะมันเป็นโทษหลายนะมันเป็นโทษหลายเพราะชีวิตของนักบวดนี่มันเนื่องด้วยผู้อื่นอะไรอะไรก็ได้มาจากชาวบ้านอาหารการบริโภคก็ดีผ้าหนุ่งผ้าห่มก็ดี เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ดียุกยาแก้โรคไครไข้เจ็บต่้งๆนี่รดนต่ชาวบ้านเขาถวายมาทั้งนั้นเลยดังนั้นนักบวดเรานี่ถึงที่ว่าเป็นหนี้บุญนี่คุณชาวบ้านอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะให้ เขาถวายมาให้ฉันแล้วเราก็บริโภคไปสบายๆไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไห้ไอ้คิดได้ดีเราเคยเตือนอยู่นะอันนี้ก็เป็นอุบายสอนใจให้รีบเร่งทำความเพียรแสวงหาความสงบทางจิตใจอันหนึ่ง ก็ดังที่พูดมาแล้วบุญกุศลมันย่อมเกิดจากการทำใจให้สงบระงับถ้าผู้มีใจพุ่งซ่านเรื่อน้อยอยู่บุญกุศลเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราบวชมาเพื่อหวังเพื่องนี่บุญนี่คุณอย่างนี้แล้ว ยังจะไปกลับเอานี้ทับผมเข้าไปอีกเช่นนี้เราลองคิดดูให้ดีถ้าเป็นเป็นช่นนั้นเราการบวชมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนัย่นนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพ่อแม่เลี้ยงมาแสนทุกข์แสนยากอุ้มท่องอยู่ตั้งแปดเดือนเก้าเดือน คลอดออกมาแล้วต้องมาเสียูยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วยังต้องเอาไปเข้าโรงเรียนหาเงินหาทองช่วยส่งเสียให้โลกได้ศึกษาเราเรียนมีวิชาความรู้เขียนได้อ่านออกภาษาของชาติ ในฐานะเรานับถือพระพุทธศาสนาอันผู้ชายนั่นนิยมบวชกันพอแม่ทั้งหลายก็ถือว่า้ลูกของตนเป็นลูกผู้ชายขอให้ได้บวชในศา ส, สนาเราก็ถือกันมาอย่างนั้น ก็การถือว่าการบวชนี่ได้บุญหลายให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์อันนี้อันพ่อแม่ น, นั่นหวังดีต่อลูกอยากให้ลูกนั่นมีความสุขความเจริญก็จึงได้ส่งเสริม ให้ลูกได้มาบวชเรียนในพระธศาสนานี่เมื่อเข้ามาวัดมาฝึก้นอบรมตอนโยอุปัชฌาย์อาจารย์เห็นว่ามีความประพฤติดีตามธรรมเนียมของนักบวช พ, พอไปกันได้พอประพฤติตามธรรมวินัยได้ เช่นนี้เพื่อนก็จึงบวชให้ทันเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะถือสิทธิ์ว่าตนเป็นพระแล้วอย่างนี้เราจะประพฤติไปตามชอบใจของตนไม่เอาทำเวในยเป็นหลักไม่ได้นะขอให้เข้าใจาจะเป็นพระเป็นเนนอยู่ได้ ก็เป็นเป็นอยู่ได้ด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยจึงสามารถเป็นอยู่ได้เป็นนักบวชนี่นะเอาทำวินัยเป็นชีวิต จ, จิตใจถ้าประพฤตินอกธรรมนอกวินัยออกไปแล้วย่อมไม่ได้รับความนิยมนับถือ จากประชาชนทั่วๆไปทั้งภิกษุสามเณรทั้งทายุคทายิกาก็ไม่นิยมนับถือพระภิกษุสามเณรที่ประพฤตินอกลูนอกทางจากธรรมวินัยออกไปคนเราเนี่จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีคณะดัง น, นั้นการที่เราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องประพฤติให้เข้ากันกับหมู่กับคณะได้คือประพฤติประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยนั่นเองเมื่อต่างคนต่างประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยแล้วมันก็เข้ากันได้นะมันก็เป็น สนิทสนมกันได้ดังเคอย่างนั้นเราเอาธรรมวินัยเป็นเครื่องผูกมิตรไมตริจิตต่อกันจะไปเอาอย่างอื่นมาผูกมิตรกันไม่ได้เอรนั้นเพิ่งพางเข้าใจต่างคนต่างสำรวมกายวาจาของตน ให้ตรงต่อพระวินัยที่ขาหมดน้อยใหญ่ต่างๆเนื้อความการประพฤติเป็นธรรมต่อกันเช่นเคารพกันตามผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้อดก่อนบนุญหลังไม่ร่วงเกินกันมือนี่เนืก็เป็นผู้มีเมตตาต่อกันและกัน ไม่โกรธกันไม่ภูกไมู่กใจเจ็บต่อกันและกันต่างก็มีความคิดจะให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขโดยทั่วไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าจเจริญเมตตาในธรรมเหล่านี้นะมันต้องขึ้นอยู่กับการกระทา ไม่ใช่จำตัวหนังสือได้เฉยๆนะ้ดยการนั่งภาวนาสมาธิคำรวมใจแน่วแน่เราก็นึกถึงตนนึกถึงคนอื่นคัดอื่นล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่ควรจะมาเบียดเบียนเรา ต่างคนต่างก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นก็กำหนดใจนึกคิดอย่างนี้เสมอๆ อ, อย่างนี้แหละท่านาาเรียกว่าเจริญเมตตาขอให้เข้าใจกันถ้าขาดความ ค, คิดนึกอย่างว่านี่แล้ว มันก็จะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันเลยแล้วก็จะแข็งกระร่างกระเดืองไม่คิดว่าการทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนน น, นะไม่คิดว่าเป็นกรรมเป็นเวรคิดไม่ถึงนนการที่เรา ทำให้ผู้อื่นและสัตวอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นน่ะน่นจะเป็นกรรมเป็นเวรกรรมเวรในตามสนองเกิดไปชาติใดพบใดก็จะมีผู้มาทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละืังนั้นคนที่ถูกเพื่อนรังแกเอา เสมอๆใครอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครชอบใจไม่มีใครนับถือแม้จะทำดีอยู่บ้างก็มีคนรังเกียจอยู่ถ้าผูใ้ใดเป็นอย่างนั้นนะก็ให้นึกเสียว่าเป็นกรรมเป็นเวรของตนเองที่ทำมาแต่ก่อน เสจา ก, ก่อนนอนตอนคงจะไปทำให้เพื่อนเพี้นทุกข์ทกขดร้อนแสดงความกระทบกระทั่งผู้อื่นด้วยมานแห่งมานะทิฏฐิเรื่องอานาจแห่งความโกรธอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ถึงกับทำลายล่างผลาญชีวิตของกันและ ก, นกันนแต่ทำความลำคาญใจลำบากใจให้ผู้อื่น เช่นนี้อย่าว่ามันไม่เป็นกรรมเป็นเวรนะให้เข้าใจนะถ้าผู้ใดไม่รู้ทัวไม่อธิษฐานใจละเว้นเสียไม่สำรวมระวังตนเราก็เป็นกรรมเป็นเวรติดตามไปไปทนเลเกิดไปชาติใดก็จะมีแต่คนรังเกียรตั้งแก่ผู้ใดเป็นอย่างนั้นเน่ให้อดให้ทนอย่าไปตอบโต้ ถ้าไปตอบโต้ก็ไปแล้วก ร, รมเว้นก็ไม่หมดก่อสร้างกรรมสร้างเว้นต่อเนื่องไปเรื่อยเปงเอันเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อนนะไม่ได้เบียดเบียนอะไรทำไมเพื่อนมารังเกียดเราเบียดเบียนเราไอ้ที่ตนทำให้เพื่อนนั้นตนไม่รู้ตัวเรื่องมันะ ไม่รู้ตัวว่าทนทำให้เพื่อนเดือดร้อนคนเรามันลืมตัวเนี่ยนะสำคัญมากนะถ้าผูใ้ใดรู้ตัวอยู่แล้วไม่แล้วทำอะไรพูดอะไรมันต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอมาให้มาให้ไปกระทบกระทั่งกับคนอืน่น พระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วท่านยิ่งสำมรวมตนมากอันปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสนี่แหละมันไม่ค่อยจะสำมรวมตนนะให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ต้องคิดพิจารณาดูอย่าทำตนให้เป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลส อยู่อย่างนั้นสเสมอไปอถ้าทำตนให้หนาไป้วยกิเลสอยู่นั้นมันก็จะต้องเป็นทุกข์อยู่นั้นน่ะล่าไปเลยจะต้องเบียดเบียนกันอย่างนั้นเรื่อยไปจะ อ, อย่างนั้นความเบียดเบียนกันเนี่ยมันเป็นทุกข์ในโลก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอัพยาปัจชังสุขขังโลกเกปานภูเตสุสั ญ, ญโยความสารวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกโกลงกันข้ามถ้าเบียดเบียนกันแล้วก็เป็นทุกข์ในโลกก็เป็นเช่นนั้นแหละ เขาก็จะเจ้าส่งแสดงไว้เราก็เอาอมาคิดมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองบางคนเลยว่าเอ้าวก็เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะผู้อื่นมาเบียดเบียนเราจะไหวหรือออย่างนี้แหละสายเหตุมั่งเมื่อตนตนไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการเวรภัย ต่างๆแล้วก็หาทางหลีกเลี่ยงสิใครจะมายั่วยุให้ทะเลาะวิวาแเราก็ไม่เอาด้วยเพราะมันเป็นกรรมเป็นเวรูพวกพันกันไปไม่รู้จักจบคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไม่มีกรรมเวรนนะตามสนองไปในเบื้องหน้าต่อไปและในปัจจุบันนี้ก็ ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเหมือนอย่างตบมือข้างเดียวเนี่ยไม่ดังเลยกันที่มันจะดังใด้ก็ตบมือสองข้างมันจึงดังออกมาอันนี้เหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างสัมรวมกายวาจาใจของตนอยู่ ให้สงบคพิรงับอยู่ด้วยดี่ะแม่ฝ่ายหนึ่งมันจะพังเผอไปกระทบกระทั่งกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งรู้ตัวอยู่เสมอแล้วไม่ตอบโต้เรื่องมันก็สงบลงโดยเร็วมันก็ไม่มีอะไรเป็นตปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น พุกคอนที่เราเป็นนักปวดนี้ต้องเสียสละมานะทิฏฐิความสำคัญว่าตนดีอย่างนั้นตนพิเศษอย่างนี้เสียสละชื่อเสียงเกียร ต, ติยศอะไรลงมันถึงมันจึงสมกับว่าเป็นสมณะแปลภูสงบระ ง, งับจากกิเลสปาประธรรมต่างๆ ถ้าไม่ยอมเสียสละความชั่ว้ายของผู้อื่นที่หยิบยื่นมาให้ไอความเป็นสมณะนี่มันก็หายไปจากบรรณโลกแล้วคือหมายความว่าสมณะผู้นั่นนะ่ะไม่ใช่เพราะผู้ผู้นั่นไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบ ฉะนั้นจะได้นามธรรมะไม่ได้เลยแต่สมรมะแปลว่าผู้สงบระงับเวลาปกติไม่มีใครมากระทบกระทั่กกดสงบอยู่เมื่อเวลามีผู้อื่นกระทบกระทั่งมาก็ไม่หวั่นไหวหาทางหลีกเลี่ยง จากการกระทบกระทั่งนั้นทำความกระทบกระทั่งนั้นให้ระ ง, งับไปอย่างนี้เลยจึงได้นามว่าสมณะอืมถ้าจะไปสงบแต่เวลาไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งจึงสงบได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งก็มาแล้วสงบไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่อืไม่ใช่สมณะสมณะนี่มันต้องสงบระ ง, งับ ทั้งเวลาปกติและเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกระทบกระทั่ง จ, จิตใจใจก็อดได้ทนได้สงบได้ทางกายวาชาก็สงบเช่นนี้เระจึงได้เรียกว่าสมณะเพราะฉะนั้นให้มากันเข้าใจ ความเป็นสมณะหรือความเป็นภิกษุก็จะเป็นมีได้จะเป็นไปได้ก็เพราะมีคุณธรรมอยู่ในใจดังกล่าวมานั้นมีความอดทนต่อคำด่าว่าเศียสีต่อความกระทบกระทั่งต่างๆมีเมตตา วาถนาให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปที่ทำลงไปแล้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีสติสมบัติัญญะตามรักษาจิตนี้ให้ตั้งอยู่ในธรรมวินัยเรื่อยไป ไม่เจตนาที่จะร่วงทำร่วงวินัยเฮ็นเสียแต่พังเผอเนื่อพังเผอก็แสดงอาบัตเสียอย่าไปอย่าไปเก็บโทษอันนั้นไวอมอเก็บโทษไว้มันมันก็มีโทษเรื่อยไปมันจะไม่หาย เพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจเราเอาจริงนะการเป็นนักบวชนี่โดยเฉพาะนักบวชที่มาบวชอยู่ในป่าเขาลำาเนาภัยเช่นนี้มันต้องมีใจเด็ดเดี่ยวทงหวังความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่า เหยียดคานทำการงานในบ้านในช่องแล้วหนีมาบวชซ่อนตัวหาความสุขสบายอยู่ในวัดวาอารามเท่านั้นแล้วไม่ทำความเพียรไม่พยายามละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจผู้ใดคิดเช่นนั้นเจตนาเช่นนั้น ยิ่งได้บาปหลายให้พากันเข้าใจถ้จะมาใาส่เรื่องชีพอยู่ในเพจผ้าเหลืองอันนี้ไม่ถูกต้องเลยมาใาส่เรื่องขี่เฉยมาเขาว่างั้นไม่ทำความเพียรละ ก, กิเลสไม่สำรวมตนไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้เต็มที่ อันนี้ไม่สมควรไม่สมควรที่จะมาบวชเลยถ้าพูธได้เกตนาอย่างนั้นนะตัณหานี่โคคามจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนหลายได้อะไรมาในโลกอันนี้มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรเลยได้เงินทองเข้าห้องมาใช้จ่ายไปก็หมดไปหาใหม่มาอีก ใช้จ่ายบริโภคไปก็หมดไปไม่เห็นมีใครได้อะไรการอยู่ครองเรือนอืใส่มาแล้วก็หมดไปหมดไปอยู่ตงนั้นแล้วแล้วการแสวงหาเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากอเป็นหาแสวงหาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาน ไม่ได้อะไรมาเป็นแกนสานเลยได้มาแล้วก็มีแต่เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปถึงเวลาตายแล้วก็ตายไปเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ละก่อนบวชก่อนบวชนะจึงเบื่อหน่ายในการครองเรือนพิจารณาดูเรา ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานเลยแล้วไม่ได้อะไรมันจะได้อะไรก็มีแต่หมดไปสิ้นไปอย่างว่านันแหละได้อะไรมาก็ดีตลอดร่างกายทั้งขา น, นี่มันก็มีแต่เสื่อมไปสิ้นไปอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไป ถ้าตนยังหนุ่มอยู่มันก็มองดูคนที่เกิดก่อนร่างกายเพื่อนไปไงแม่ตนเองถ้าอยู่ไปนานปีนานเดือนไปก็เป็นเช่นผู้เกิดก่อนนั้นแหละสงสัยอะไรเล่าฉะนั้นต้องพิจารณาดูชีวิตหลายแง่หลายมุมอย่างนี้แล้วมันก็ ตื่นตัวได้คนเรานะแม้ยังหนุม่มแน่นอยู่มันก็ไม่ไม่ถือว่าตนเป็นหนุม่มเป็นแน่ น, นก็พิจารณาเห็นด้วยปัญญาวิปัสนาว่าร่างกายนี้มันชำนุสุดทมไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอยู่ไม่ใช่ว่ามันตั้งยัางยืนอยู่ ตลอดไปหาไม่ได้เลยแต่คนที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนปัญญาไม่ละเอียดมันก็อมองเห็นว่าคล้ายๆกับว่าร่างกายนี่มันไม่เสื่อมมันไม่ทุดสมอะไรเลยแค่นี้ความเป็นผู้ปล่อยใจให้เพลินตามอารมณ์ภายนอกแล้ว ไม่มีปัญญาที่จะมามองเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของอัตภาพร่างกายนี้ทำใจสงบระ ง, งับแล้วเพ่งพิจารณาอยู่ภายในจะเห็นว่าร่างกายนี้มันสำรุดสุดโสมไปเรื่อยๆแต่มันสำรุดไปทีละน้อยละน้อย มันมันไม่ใช่ว่ามันสมรุ้ทั่วภาพไปเลยดังนั้นเนะ่ยผู้เทียมพิจารณาให้ละเอียดแล้วจึงเข้าใจว่าร่างกายนี่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรโน่นจนเท่าแก่ชรามากๆแล้วจึงรู้ตัวว่าแก่แล้วจนผมหงอกขาวโพลน วันหลุดหล่อนตามืวหูเอื่อไปน่นจึงว่าตนแก่ชร า, าลงเพื่อไปถึงโน้นน่ะมันสำรุดมากแล้วหมายเขากอย่างนั้นแต่ตอนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางนี่มันค่อยสำรุดไปทีละน้อยละน้อยถ้ามันไม่สำรุดไปทีละน้อยอย่างนี้แล้ว ไปถึงวัยห้าสิบหกสิบปีเป็นั้นมันก็มันก็จะไม่ชำรุดนะอะมันก็จะเหมือนเดิมอยู่ด้านที่อันนี้ก็เพราะเหตุว่ามันค่อยชำรุดสดสงมไปทีละน้อยละน้อยไปดังนั้นนะเมื่อมากมากเข้าไปแล้วมันก็จึงปรากฏเลว่านี้ความชำรุดสดโทมอันนั้นนะ แถมกับโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเมื่อร่างกายนี่มันชรุดทรุดโทรมไปจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บบางคนนยังไม่ถึงวัยแก่ชรามันก็เบียดเบียนได้ทางนี้เพราะอะไรลนะ่ะพระพุทธเจ้าตรัสเัยว่ากรรมัดชจรูก รูปกายอันนี้กรรมมันตกแต่งกรรมคือการกระทําของตัวเองนี่แหละได้กระทาดีทําชั่วอะไรมาแต่ก่อนนู่นน่่กรรมเหล่านี้ยนะกรรมดีกรรมชั่วนี้น่ละติดส้อยห้อยตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนเราทําทั้งดีทั้งชั่วมาในสงสารนี่นะ นนดังนั้นกรรมดีให้เกิดมาเป็นคนมีรูปร่างสมบูรณ์เมื่อเวลากรรมชั่วยังไม่ให้ผลนะอันอยู่ภปยอยู่ภัยได้โอกาสแทงกรรมชั่วมันจะให้ผลแล้วมันก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บมังเกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ ก็แสนทุกแสนเจ็บแสนปวดทุกขเวทนาทต่างๆอย่างนี้เนี่ยถ้าโรคก ร, รมเวนตามถนองแล้วเยียวยาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายมันก็ทำทุกท ร, รมานให้ต่อผู้นั่นอยู่สเสมอไปจนกว่ามันจะหมดกรรมหมดเวนอันนั้น กรมเวรบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนตายก็มีบางอย่างมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดไปแล้วร่างกายก็เป็นปกติเหมือนเดิมนี่ยว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนมากหรือน้อยนั่นแหละนั่นั่น ผู่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็จงภาวนาพิจารณาให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วถ้าถูกใครเข้าก็อย่าไปเศร้าโศกเสียใจในชาตินี้ก็ให้นึกถึงความบริสุทธิ์ของตนให้ตนได้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้แล้ว ตนทำดีมาเรื่อยมาอย่างนี้นะตนไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาัตไม่ได้ดื่มสุราเมลยัยกัญชายาผิ่น น, นิโอนินตนไม่ได้ประพฤติอาสัทธธรรมกรรมอันที่นักบวชท่าน ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามนักบวชอย่างนี้ทนก็ไม่ได้ล่วงเกินทนก็ไม่ได้ประดับตกแต่งร่างกายอะไรเลยก็เมื่อต น, นได้ทำความดีฝึกตนมาระดับอย่างนี้แล้วคณะว่าตนได้สั่งสมกุลกุศล ใส่ตนนั้นตนให้เต็มความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ถึงจะมีก ร, รมเวรแต่นลหลังตามมาสนองเอาก็สนองแต่ร่างกายอันนี้แหละมันสนองจิตใจไม่ได้เพราะใจจิตนี่มันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มันมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่เราอยู่กับบุญกับคุณ เราอยู่กับปัญญาทําความรู้เท่าสังขารตามเป็นจริงเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์ใจหรอกคนเราถ้าไปอยู่กับร่างกายถือว่าร่างกายนี้เป็นของเราเช่นนี้มันก็ทุกข์หลายเลยยานั้นให้อยู่กับบุญกับคุณให้มีปัญญาเป็นเครื่องดําเนินชีวิต อย่าไปทำตนเป็นคนอัดอั้นตันปัญญาปัญญาย่อมเกิดจากสมาธิเมื่อทำสมาธิอยู่เสมอแล้วปัญญาก็มีอยู่เสมอเป็นงนั้นดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจทำบุญคุณทั้งหลายสติปัญญา ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแต่มันเกิดเองไม่ใช่เราทำเอาอย่างนี้แหละอือกูได้เห็นแต่แก่รับแก่นอนเกียดข้านทำความเพียรเออโพนั่นก็ไม่ได้พบที่พึ่งอันดีงามหมายถึงที่พึ่งทางใจ ไม่ได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเราจะไปหวังพึ่งแต่ร่างกายนี่มันจะพึ่งไปได้แค่ไหนอน่อยหนึ่งเมื่อมีโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปแล้วมันก็พึ่งไม่ได้เลยพึ่งก็พึ่งอยู่ได้ด้วยความยากลำบากแต่พิจารณาดูให้ดีแม้ในขนาดนี้ โรคภัยยังไม่เบียดเบียนก่อนแต่ต่อไปมันต้องเบียดเบียนคนเราถ้าไม่เป็นโรคเป็นภัยเบียดเบีย น, น้นมันก็ไม่ตายเหตุที่มันตายก็เพราะมีโรคภัยเบียดเบียนก่อนนั่นแหละเมื่อรักษาไม่หายเราก็ตายาต้องคิดต้องพิจารณาไว้เสมอเสมอแหละ ข้อนี้นะทุกคนย่อมได้พบแน่นอนหลีกไม่พ้นนะภาวนาพงมันลงไว้เสมอเลยเอา้าแตกวันไหนก็แล้วไปดับวันไหนก็แล้วแต่มันเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ร่างกายอันนี้นะเราจะไปหวงเห็น อยู่ยนี่มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆก็มันบังคับมันไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้ก็จึงปล่อยมันให้เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเสียแล้วจิตใจก็สบายในเป็นทุกข์เดือดร้อนอก็คอยพากันกระทาอุบายเงียบขายในใจอย่างนี้เรื่อยไป อันนี้เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมา